ธรรมกาถาวันมาคาบูชาเรื่องความรู้ต้องมาเข้าคู่กับความรักโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตบรรยายเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตศรัทธาและมีฉันทะในบุญกุศลมาร่วมในงานบุญเวียนเทียนในวันมาคบูชาอันนี้ก็ญาติโยมก็มากันพรั่งพร้อม ก็มีตั้งแต่โยมผู้ใหญ่ท่านผู้เท่าชรามาจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆเกมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูน้อยรับศีลเสียงดังดีท่านหนูๆช่วยกันรับศีลให้ดังชัดๆอย่างเงี้ยน่าอนุโมทนามากันพร้อมอย่างนี้ดีคือตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนกระทั่งหลานเหลน มาแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันสำหรับเด็กๆนั่นก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในบุญกุศลทำจิตใจให้เจริญงอกงามได้มีปัญญารู้เข้าใจดีขึ้นก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาส่วนท่านผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็เป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้ช่วยให้ท่านได้ มีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีความสุขบุญกุศลท่านได้ทําอะไรแต่อไรมามากแล้วถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทํามาให้จิตใจบันเทิงปลาโมดปีติในบุญในกุศลนั้นผู้ใหญ่นี่ก็จะได้เป็นหลักเป็นผู้มีประสบการณ์มากนําประสบการณ์มาแนะนําบอกเล่า แก่ลูกลูกหลานหลานต่อไปก็เป็นความสามัคคีในหมู่ชนจะทำให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วทีนี้เราก็มาสามัคคีพร้อมใจกันในวันมาคบุชาและวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็มาพร้อมเพรียงการทั้งพุทธบริษัทฝ่ายญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็มาสามัคคีกับฝ่ายสงฆ์ที่เป็นบรรพชิต เท่ากับว่าพร้อมพุทธบริษัทสี่อันนี้เรามาทำบุญแล้วก็เป็นการที่บูชาพระตนณฐใจพุทธบริษัทสี่ก็มาพร้อมใจกันถวายส ก, การะบูชาแด่องค์ปัสสมมาสัพพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในโอกาสวันนี้ที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาวันมาคาบูชานี้ ในบรรดาวันสำคัญที่เราจัดกันในปัจจุบันที่เป็นวันทางด้านบูชาก็มีสามวันอย่างที่เคยว่ามาแล้วกระทวนกันนิดหนึ่งก็คือวันมาคบูชานี้วันวิสาคบูชาและวันอาสาราบูชาถ้านับตามปฏิทินมาคบูชาก็เป็นวันแรกคือพอเริ่มปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติ มกราคมและมาเดือนนี้กุมภาพันธ์มามีมาคาบูชาเป็นบูชาแรกต่อไปก็เดือนหกประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนต้นๆก็จะมีวิสาขาบูชาเป็นที่สองแล้วต่อไปก็จะมีอาสาลาบูชาต่อได้เข้ารรษาเป็นวันที่สามในเดือน8 นี่เรียงตามลำดับในปฏิทินมาคาบุชาเป็นวันแรกแต่ถ้าเรียงตามเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติก็ตรงข้ามมาคาบุชาก็เป็นวันที่สามคือเริ่มด้วยวิสาขาบุชาพระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานก็ถือความเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นี่ตรัสรู้วิสาขาบุชาเดือนหกแล้วต่อมาเดือนแปด มีอาสาลบูชาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาก็เป็นจัวคีก็เป็นเหตุการณ์ที่สองแล้วต่อมาถึงเดือนสามก็คือเก้าเดือนหลังจากพุทธปรินิพานจึงมีมาคบูชาเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจารุโรกสณนิบาตแล้วก็ทรงสแสดงโอัทปาติโมก ก็เป็นอันว่ามาคบุชานี่เป็นสุดท้ายวิสาขาบูชาก็เริ่มต้นวันตรัสรู้อีกสองเดือนต่อมาสารบูชาก็แสดงวัฒนมเทนศาอนาสาระแล้วก็มาสามอีกเก้าเดือนหลังตรัสรู้จึงได้มีมาคบุชาแต่ว่าถ้าว่าตามที่ชาวพุทธได้จัดกันในประเทศไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ว่าตามเหตุการณ์ในปริวัติศาสตร์ที่มีการจัดพิธีบูชากลายไปวันหนึ่งวิสาขาบูชานะยืนพื้นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเท่าที่เราทราบก็น่า จ, จะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเพราะว่าเป็นการบูชาหลักวิสาขาบูชามาสุขโขทยัยยุธยาแล้วก็กรุงเก่าแตกก็สูญหายไปจนกระทั่งมาราชการที่สอง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภานไยล่ทรงได้รับคล้ายๆคำถวายวิสัญนาเป็นการบำรุงพระราชศรัทธาก็เลยทรงจัดงานวิสาขาบูชาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์คือฟื้นขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่สองหลังจะขายไปหลายปีอันนี้วิสาขาบูชาก็ยืนพื้นมาแต่โบราณ จนกระทั่งมาถึงราชาการที่สี่ทรงพิจารณามีพระราชดำริว่าวันมาคบุชาจารุรงคกัสันนิบาตนี้ก็มีความสาคัญมากเป็นการประกาศหลักพุทธศาสนาที่สำคัญก็ทรงจัดพิธีมาคบุชาขึ้นเป็นครั้งแรก น, นเป็นราชาการที่สี่กลายเป็นว่ามาคบุชานี้เป็นเหตุการณ์ที่สองมาเป็นกลางก็มีเฉพาะในประเทศไทย แล้วก็มาถึงหลังจากฉลอง25พธธุทธศตรวรรษคณะสงฆ์ก็ตกลงว่าต่อแต่นี้ไปตั้งแต่ปี 2,501 หรือ 2,501 ก็เริ่มจัดพิธีอาสาลบูชาในวันแสดงวัตถมเทศนาโดยทางรัฐบาลได้เห็นชอบตามคำแนะนำของคณะสงฆ์ก็ประกาศเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ก็แปลงว่าวันอาสาฬบุชากลายเป็นวันที่สมมาคบุชาเป็นวันกลางนี่ว่าตามเหตุการณ์ในประวติศาสตร์ก็เอามาเล่าญาติยมฟังจะได้เป็นความรู้ประกอบไว้พอเราทำอะไรก็รู้เให้ชัดเจนนี้วันนี้ก็แปลง ว, ว่าเป็นวันมาคบุชาเป็นวันที่สามในเหตุการณ์พระพุทธประวัติและเป็นวันที่หนึ่งในปฏิทินสุริยคติ และเป็นวันที่สองอันกลางในเหตุการณ์การจัดพิธีของชาวพุทธทั้งหลายมาถึงวันมาคาบูชาแล้วเราก็เข้าใจความหมายกันดีเพราะวันมาคาบูชานี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเหตุการ์สำคัญในพระพุทธศาสนาคือชาตุรงคสันนิบาต ท, ที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเก้าเดือน เมื่อมีภาษาวคจำนวนถึงพันหนึ่งรหรูปเป็นพระหันทั้งสิน้นแล้วในวันมาคบุชาคือวันเพนเดือนสามมาคาบุรณมีนั้นในรามราตรีที่พระเวรุวันที่เมืองราชคลคือปา่าไผ่หรือสวนไผ่ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าบิมริศารได้ถวายแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธเจ้าเป็นประมุข พร้อมได้พระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์จํานวนหนึ่งสองรหสิรูปก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันพระพุทธเจ้าทรงปรารพเหตุการณ์ที่เป็นบรรยากาศเหมาะสมก็เลยทรงแสดงหลักการสำคัญของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกแปลว่าพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานมีสามคาถากึง่งมี ขันติปรมังตะโปตีติขานิพพานังปรมังวัฒนิพุท ธ, ธาเป็นต้นแต่คาถาที่เราจำกันได้มากก็เป็นคาถากลางบางแห่งท่านเอาคาถากลางมาเป็นคาถาที่หนึ่งแต่ว่าในเหตุการณ์ทแท้ๆนั้นเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตะโปตีติขานี่คาถากลางที่เราจำกันได้มากว่าสับพพาปัสสะอาการะนัง กุศลสูปสัมปทาสจิตตบริโยทปันนังเอตังพุทธานาสาส น, นังก็มาทวนแปลกันนิดหน่อยโยมก็จำกันได้คิดว่าดีแล้วแต่ว่าฟังกันบ่อยๆไม่ให้ลืมไปเลยโดยเฉพาะเด็กๆ ก, ก็ท่องให้แม่นทั้งบา л ีทั้งไทยก็ดีแล้วบอกว่าหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งปวงไม่ทำบาปทั้งปวง สองกุศลสูปสัพปธาก็แปลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมพูดง่ายๆก็ทำดีให้เพียบพร้อมแลสามสติตะปริโยทธปัญังก็แปลว่าทำจิตใจของตนให้ผ่องใสคำว่าทำจิตให้ผ่องใสนี่ไม่ใช่จิตอย่างเดียวนะจิตจะผ่องใสได้จริงเนี่ยบริสุทธิ์ต้องปัญญาด้วยนั่นข้อสมเนี่ยพูดถึงจิตแต่เน้นที่ปัญญา ก็คือเอาปัญญามาชำระจิตให้ผ่องใสคาถานี้เป็นคาถากลางคาถาที่สองที่จำกันแม่นแต่ว่าอีกสองคาถากึ่งนันก็สำคัญเหมือนกันแต่วันนี้นั้นยังไม่เข้าสู่รายละเอียดก็ถือว่าเรื่องรายละเอียดนี่ค่อยๆว่ากันทีละเล็กละน้อยมาอธิบายวันเดียวจบเลยโยมจำไม่ไหว ฟังยังไม่ค่อยไหวเลยดังนั้นก็เลยเอาว่าแต่ละครั้งก็มาจับแง่มุมนิดๆนหน่อยๆของวันมาคบูชาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่มีการฉลองวันวาเลนไทน์ในประเทศไทยเนียก็เลยกลายไปว่าพอถึงวันมาคบูชาชักจะมีการพูดถึงวันวาคบูชาในแง่ของความรัก คือพูดให้มันสอดคล้องกับเรื่องของวันวาเลนไทน์เพราะนั้นทุกปีเวลาเนี้ยเราจะได้ยินเรื่อยเวลาพระหรือโยมก็ตามพูดถึงวันมาคบุชาก็จะพูดถึงว่าเออเขามีเรื่องความรักกันในวันวาเลนไทน์นะแล้ ว, วความรักในพุทธศาสนาก็มีโดยเฉพาะวันมาคบุชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักในความรักแท้ที่ยั่งยืนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แท้จริงเะ น, นั้นก็ มาคาบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันก็ให้ความรักในมาคาบูชานี้ไปเสริมความรักในวาเลนไทน์มันจะได้แก้กันสมดุลไม่ให้เขวไปในทางที่เสียหายถ้่หากว่าความรักของวาเลนไทน์นั้นได้ความรักของมาคาบูชามาช่วยไว้ก็จะทําให้ไม่พลาดไม่เฉไม่ตกหลุมเสียหายไปแล้ว คือไม่ไปอบายนั่นเองอ่ะหมายความว่าความรักเนี่ยน่ะถ้าทําไม่ดีก็ไปอบายได้แต่ถ้าทําดีนะความรักก็ไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์สูงด้วยนะความรักเนี่ยความรักนี่พาไปสวรรค์ชั้นพรหมเลยความรักคือในพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาเบกขาข้อที่หนึ่งเมตตาก็เริ่มเลยความรักรักรัก ของเมตตาก็แปลว่าอยากให้เขาเป็นสุขเท่าไรอยากให้เขาเป็นสุขก็แสดงว่าเป็นความรักในพรหมมิหารเป็นความรักอย่างพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขถ้าความรักในแบบราคะก็บเร่าอยากได้เขามาทำให้เราเป็นสุขอันนั้นต้องระวังถ้าทำไม่ดีก็ตกอบายไปเลยนั่นก็เลยเอาว่าเรามีเมตตามีความรักของวันมาคบุญชาก็มาช่วยแหละ อย่างน้อยก็ดึงกันไว้ให้สมดุลแล้วก็ถ้าพัฒนามาในความรักของมาคาบูชาได้ก็เดินทางไปสู่พรห ม, มโลกเลยทีนี้สูงริ้วเลยเรียกว่าใกล้พระอริยบุคคลแล้พอเป็นพระพรหมแล้วทีนี้อีกทีหนึ่งก็เป็นอริยะเป็บริยะแล้วก็ไปสู่พระนิพพานชั้นพรหมก็สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงความรักกันบ่อยในวันมาคาบูชาวันนี้ก็เลย มามองว่าเออพูดกันมาเยอะแยะละความรักของมารคบูชาอะไรเนี่ยก็อยากจะพูดอีกแง่นหนึ่งบอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยอย่าเพลินไปนะอย่าพูดแต่ความรักในพุทธศาสนานี่ท่านย้าว่าความรักต้องมากกว่าความรู้ว่างั้นแล้วจากรักมารู้เนี่ยนะจะไปต่อถ้าอยู่แค่รักก็ไปได้ถึงพระพรุม แต่ถ้ามีรู้ด้วยในไปนิพพานได้เลยจะเป็นอริยะนี่ต้องมีรู้ก็คือปัญญาเพราะนั้นต้องมาต่อรักไม่พอต้องรู้ด้วยพอรู้แล้วทีนี้ก็เดินหน้าต่อจากพระพรหมก็ไปสู่ความเป็นอริยชนไปสู่พนิพพานได้วันนี้ก็เลยมาย้ํากันนิดหน่อยว่าเออเรามีความรักในดีแล้วนะเป็นความรักที่เป็นคุณธรรม อยู่ในพรมวิหารสี่เรื่องี่เมตตาเป็นต้นไปก็เป็นการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็มาย้ำกันในวันวัคคบุชาก็ขอให้เดินหน้าต่อไปในเรื่องวิถีของพุทธธรรมก็คือว่ารักแล้วให้มีรู้มาคู่ด้วยนี่ความรู้นี่ก็เป็นเรื่องปัญญาหมายความเมตตาความรัก แล้โยไปไนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเมตตาอย่างเดียวเมตตากรุณามุ้ติตาเบกขาทั้งชุดนี่แหละอยู่ในชุดของความรักไปจากทัง้งถึงว่าวางใจเป็นกลางแล้วไปเชื่อมอุเบกาขาเข้ากับความรู้ตอนที่ถึงอุเบขาเนี่ยไปเชื่อมความรู้แล้วก็จะถึงธรรมะเลยตัวรู้หรือปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ถึงธรรมนี่เราก็มีปัญญาความรู้นี่มาคู่ในตาพุทธศาสนาท่านเน้นว่า ขอให้สังเกตดูในพระพุทธคุณพุทธคุณนี่ในเมืองไทยเรานิยมชุดสามมีอะไรบ้างหนึ่งพระปัญญาคุณสองพระวิสุทธิคุณสามพระมหากรุณาคุณนสามประการเราจำกันแม่นเลยนะนี่เป็นความนิยมในเมืองไทยทนี้ถ้าว่าไป ตามหลักเดิมเนี่ยก็แปลว่าพุทธคุณเก้าในบทอิติปิโสนั่นก็มากเยอะแยะจำไม่ค่อยไหวนี่ที่ท่านนิยมในคำพีเนี่ยท่านเอาแค่สองวันนี้ก็เลยมาเล่าให้โยมฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาคือพุทธคุณที่ย่อสุดเนี่ยในคำพีท่านนิยมแค่สองคืออะไรคือปัญญากับมหากรุณา แล้ววิสุทธิคุณไปไหนอ่ะเรามีสามนี่ของท่านมีแค่สองก็ตอบได้ง่ายๆมองได้ง่ายๆว่าในคำภีร์หรือว่าตาโบราณนั้นท่านถือว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นอยู่แล้วที่สําเร็จเป็นพุทธเจ้าก็คือต้องพ้นจากกิเลสเราเรียกว่าวิมุตต์พ้นจากกิเลสก็คือพ้นจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลาย พอพ้นจากสิ่งเศร้าหมองพ้นจากกิเลสวิมุตตหลุดพ้นก็เป็นวิสุทธเพราะฉะนั้นวิสุทธ์วิมุตตเนี่ยก็มีความหมายแทนกันได้เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นไหวพจน์แล้ววิมุตตวิสุทธ์ก็เท่ากับสันติก็สงบแหละคนที่หลุดพ้นมีความบริสุทธิ์แล้วก็สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบจากกิเลสสงบจากภัยอันตรายหมด แล้วสันติแล้วก็นิพพานกันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำวมาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเนี่ยเป็นคาเดียวกันนี้ท่านถือว่าความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วคือบรรลุนิพพานมีวิสุทธิวิมุตติอยู่ในตัวนั้นท่านก็เลยไม่ต้องพูดถึงอีกทีนี้พุทธคุณที่จะมาแสดงออกใช้ปฏิบัติท่านก็เน้นอยู่แค่สองข้อก็คือข้อ พระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณความเป็นพรธเจ้าเป็นวิปัสสติไม่ต้องพูดถึงและอยู่ในตัวของเราก็เสียดายก็เลยเอามาพูดซะด้วยเมืองไทยก็เลยเป็นสามก็แปลว่าให้จําไว้นะเมืองไทยแล้วนิยมสามเป็นพระปัญญาคุณคล้ายๆเรียงลาดับพระปัญญาเนี่ยจะเป็นเหตุแล้วทําให้วิสุทธิให้บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็บริสุทธิ์ไม่ได้ ปัญญาคุณก็มากกอนแล้วก็วิสุทธ์ก็บริสุธทธิ์ผูุดพ้นจากกิเลสแล้วก็มหากรุณาคุณพอมีความบริสุทธิ์ของตอนเองแล้วจิตใจสะอาดมีปัญญารู้เข้าใจเห็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่มีปัญหากันอยู่เดือดร้อนกันอยู่ก็กระตุ้นเราให้เกิดพระมหากรุณาใ น, นกรุณาก็เป็นข้อที่สามที่เกิดจากปัญญาในจิตใจที่บริสุทธิ์ คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาเนี่ยจะเกิดกรุณาแต่ถ้าปัญญานั้นอยู่ในใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะนั้นจิตใจบริสุทธิ์แล้วปัญญามาแล้วก็จะเกิดกรุณาเห็นเพื่อนมนุษย์มีข้อบกพร่องจุดอ่อนมีปัญหากันแล้วก็อดสงสารเห็นใจเข้าใจแล้วพยายามแก้ไขปัญหาก็จึงมีกรุณาเพราะฉะนั้นกรุณาที่แท้เนี่ยต้องมาในใจที่บริสุทธิ์ เอาละนะก็แปลภาารประกาศแบบไทยเราปัญญาทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วปัญญาก็กระตุ้นให้เกิดกรุณาสารประกาศในคำภีทั้งหลายก็นิยมแค่สองว่าความเป็นพุทธานั้นบอกอยู่ในตัวแล้วถึงวิสุทธิเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอีกก็เอาพุทธคุณส่วนภาพปฏิบัติมาใช้ก็ปัญญากับกรุณาปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่ เมื่อรู้เข้าใจก็จะไปจัดการแม้แต่รู้ว่าใครทุกข์แล้วเขาทุกข์อะไรจึงจะไปปฏิบัติการในการช่วยแก้ปัญหาการุณาจึงจะทำงานได้ไม่มีปัญญาจะไปกรุณาอย่างไงก็ทำอะไรไม่ได้ น, นั้นก็ต้องมีปัญญารู้ว่าใครทุกข์ทุกเรื่องอะไรและจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงอะไรเป็นเหตุให้เขามีทุกข์อะไรจึ็นเหตุให้เขาเป็นปัญหาทุกอย่างถ้า อ, อาศัยปัญญาทางนั้น นั้นปัญญาต้องควบคู่กับกรุณามีแต่กรุณาด้านรักด้านเดียวนี่ก็ไปไม่รอดมีแต่ปัญญาอย่างเดียวใจไม่บริสุทธิ์ไม่เกิดกรุณาดีไม่ดีไปห้ามหันเขาซะอีก ต, ตกลงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสำคัญที่ออกสุภาพปฏิบัติการเนี่ยมีพระปัญญากับพระหมหาการุณาแล้วปัญญาเราก็แปล ง, งป่ายๆว่ารู้และกรุณาก็รัก ในกรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตามุทิตาอะไรพร้อมอยู่หมดแล้วทําไมมันเน้นพระพุทธเจ้าที่ข้อกรุณาเอา้าถ่ายหน่อยทําไมพระพุทธคุณเนี่ยไม่ใช้มหาเมตตาอย่างเราเดี๋ยวนี้เราจะพูดกับเมตตามหานิยมแต่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นมหาการุณาก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพ้นทุกหมดแล้ว มีความบริสุทธิ์มีความสุขสมบูรณ์มีปรมังสุขขังมีบรมสุขและสุขตลอดเวลามีแต่ความสุขนิทานที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมองไปเห็นคนอื่นก็อยู่ในฐานะภาวะที่ยังทุกข์ทั้งนั้นเห็นคนอื่นยังอยู่ในภาวะที่สุขอย่างน้อยก็พร่องไม่สมบูรณ์ยังขาดขา ด, ขาดวินวินวา้ว า, วาแหว่งแหว่งแล้วก็ยังมีทุกข์เยอะ เมื่อท่านมองลงมาก็เท่ากับเห็นคนอื่นเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะต้องดึงขึ้นเมื่ออยู่ในฐานะที่ต้องดึงขึ้นพระคุูนที่เด่นก็คือกรุณาถ้าเมตตานี่เป็นความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขในภาวะที่เขาเป็นปกติดังนั้นเมตตาก็มีอย่างเป็นไมตรีเป็นเพื่อนอยากให้เขาเป็นสุขในระดับเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอเป็นพระพุเทธเจ้าแล้วสูงขึ้นไปแล้วมองลงมามีแต่คนที่มีปัญหา จะต้องดึงขึ้นมาทางนั้นก็เลยกลายไปว่าเน้นพระหมหากรุณาเพราะนั้นพระคุณของพุทธเจ้าจึงเด่นที่มหากรุณาส่วนข้ออื่นนั้นก็เหมือนกับเป็นเทียงตัวประกอบแฝงอยู่เท่านั้นเองให้เข้าใจหลักการนี้ไว้ด้วยนั้นพระพุทธเจ้าจะเด่นที่มหากรุณาเอาละความรู้ก็เป็นปัญญาก็รู้สูงสุดและเป็นโพธิญาติแล้วก็ความรักก็มาเด่นที่กรุณา อันี้พทธเจ้าก็มีคุณสองประการเนี่ยรู้กับรักเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตามพยายามเจริญคุณธรรมหล่านี้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และความรักอย่างที่บอกไว้แต่ต้นมีความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอหรอกความรักบางทีพร้อมได้ความหลง กลายไปว่ามีแต่ความรู้สึกแล้วรักแล้วได้ความหลงก็เลยกลายเป็นรักแบบหน้ามืดตามัวเป็นคนตาบอดรักไปแล้วก็มืดมองไม่เห็นลุ่มหลงไปแล้วก็เลยพอรักทางหนึ่งก็ไปชังอีกทางหนึ่งโดยมากมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ารักโดยไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยมันจะรักหลงมาหน้ามืดตามัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปด้านหนึ่งเอียงสุดไปเลย อีกด้านหนึ่งก็พอนี้ก็ไปชังอีกทางหนึ่งทีนี้ก็เกิดสุดโต่งสองข้างแม้แต่คนเดียวนั่นแหละตอนแรกกับรักในหน้ามือตาบวมองไปเห็นอะไรเขามีข้อบกพร่งรองเลยต่อมาตาสว่างขึ้นเห็นข้อบกพร่องทีนี้ชังเลยชังคนนั้นชังคนที่ตัวเคยรักนะ่ะสุดโต่งอีกทีนี้ถ้ามีรู้ด้วยนะก็จะแก้ปัญหาทําให้ความรักเนีพอดนะีรู้เข้าใจเขาแล้วก็ รู้คนที่เรารักรู้คนอื่นก็เข้าใจเขาไม่ถึงก็ชังเขาแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่คนที่เรารักเนี่ยเรารู้เข้าใจจุดอ่อนข้อบกพร่องข้อเสียเขาพอรู้ด้ปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจพอเห็นใจคว น, นี้ก็รักจริงและรักพอดีรักพอดีด้วยรักจริงด้วยโดยที่ว่ายอมรับจุดอ่อนข้อบกพร่องเขาเห็นใจอะไร ไม่ใช่ว่าหน้ามืดตาโมาไปตอนแรกแล้วพอเห็นเขาก็เลยชังไปเลยในก็ตอนเนี้ยความรู้มาช่วยความรักได้ตั้งแต่ต้นเอาแล้วอันนิดหนึ่งก็ทําให้พอดีความรักพอดีทั้งบุคคลนั้นเองแล้วก็พอดีกับเพื่อนมนุษย์อื่นไม่ไปรักคนหนึ่งชังคนหนึ่งเกินไปแล้วต่อไปสำหรับคนนั้นเองก็พอดีที่ว่าจะได้เข้าใจเห็นใจมีความสงสารช่วยเหลือกันรักแบบนี้ไปกันได้ก็เป็นทางมาของกรุณา พอคนที่เรารักนั้นมีข้อบกพร่องจุดอื่นเข้าใจเขาเห็นใจเขาเราก็สงสารมีกรุณาอยากช่วยเหลือดีขึ้นไปแล้วเอาแล้วแค่นี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วความรู้ช่วยเยอะเล้ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแหะความรู้ที่มันมาช่วยอีกในการที่จะต้องดําเนินชีวิต ต, ต่อไปจะประสบปัญหาจะได้แก้ไขมีแต่ความรักอย่างเดียวไปกันไม่รอดอยู่กัได้ความรักอย่างเดียวนี้ไม่มีความรู้ดำเนินชีวิต ต้องเจอปัญหาแน่ปัญหาก็ไม่รู้ไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความรู้มีปัญญาแล้วต่อไปเราดำเนินชีวิตก็่ากันใช้ปัญญานี้ช่วยเป็นกําลังเสริมกันในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาสร้างสรร น, นำพาชีวิตให้ก้าวหน้าประสบความสาเร็จยิ่งขึ้นไปนนั้นตอนนี้ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญมากเป็นทรัพย์อันประเสริฐทีเรียกว่าอาริยทรัพย์ เอาแล้วทีนี้ยังกว้างออกไปอีกคือไม่ใช่เฉพาะรักกันระหว่างคนสองคนสามคนมันความรักเนี่มันออกไปถึงอย่างเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารักสรรพสัตว์หมดเลยมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงอยากให้เขาพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นกระเน็ดกันเหนื่อยเลยตลอดสี่สิบห้าภาษาใครเห็นพระพุทธเจ้าหยุดบ้างพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตลอดเวลา มีหลักธรรมอันหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรม18ประการใน18ประการนั้นมีข้อนหนึ่งให้จำไว้เลยว่านัดทิฉันทหานิแปลว่าพุทธธรรมหรือพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยฉันทะเข้าใจอย่างฉันทาแปลว่าความปรารถนาดีที่จะทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามให้สมบูรณ์สาหรับมนุษย์ก็อยากทาให้เขาเป็นสุข อันเนี้ยฉันทาอันเนี้ยพทธเจ้าไม่มีรถถอยเลยเพราะนั้นพระเจ้าจึงมีพลังมากในการที่จะไปปฏิบัติภุทธกิจไปไหนไปได้หมดเสด็จพุทธดาเนินนะพระบาทเปล่าเนี่ยไปทั่วไปหมดเรายังมีรถมีอะไรแต่เลสะดวกกับท่านเยอะแต่ท่านก็ไม่เห็นเป็นไรท่านไม่ทุกข์นี่ท่านมีความสุขในการบำเพ็นพุทธกิอยู่ตลอดเวลาพรธเจ้าก็ไปอย่างเนี้ยพุทธคุณเนี่ย ก็เป็นตัวอย่างของการที่รู้พระพุทธเจ้าพระมีพระปัญญามหากรุณาจึงได้ทำงานสำเร็จถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัญญาแล้วถึงจะกรุณารักเขาอยากช่วยเขาให้พ้นทุกยังไงก็ไม่ได้จะแก้ปัญหาหเขายังไงปัญญาจึงต้องมาช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นสำคัญเลยปัญญาเป็นตัวทำให้ทำการสำเร็จได้เราะนั้นมหากรุณาก็เป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวเร้า ให้ลุกขึ้นให้เดินหน้าพาไปแต่เพื่อทำการให้สำเร็จต้องปัญญาปัญญาทำให้สำเร็จมีกรุณาอย่างเดียวทำให้สำเร็จเราทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แคบลงมาจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบอย่างผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองแผ่นดินพระราชาอะไรเนี้ยผู้นําทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องมีมหากรุณาอย่างพระพุทธเจ้า ก็ปรารถนาจะให้ราษฎรมีความสุขอย่างพระเจ้าแผดินในรัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาขึ้นครองราชก็จะมีพระดํารัฐประกาศว่าอะไรเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะตงเนี้ยประโยชน์สุขนี้ก็หมายความว่าที่ปกครองเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อันนี้ก็คือท่านบอกไว Besides, jar, ้ว <starters> <'s> <Mercy> ่าให้ม <differentiate> <c oughs> ีความกรุณาความรักประชาชนนั่นเองรักประชาชนก็อยากให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์พระราชาต้องมีคุณธรรมข้อนี้แต่พระราชามีความรักอย่างเดียวมีกรุณาอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมีรู้ด้วยต้องมีปัญญางั้นปัญญาความรู้นี้ต้องมาด้วยกันก็เลยเป็นเรื่องสาคัญว่า เราต้องให้มีผู้ปกครองที่ดำเนินอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นฐานดีแล้วต้องใจบริสุทธิ์มาแล้วจะมาทําการเพื่อประเทศชาติสังคมเสร็จแล้วก็อา้าวมีกรุณามีความปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ประสบความสุขแล้วก็มีปัญญาที่จะดำเนินการให้สําเร็จตามการุณานั่นที่จะแก้ปัญหาและก็ที่จะ ได้สร้างสารรค์ประโยชน์สุขให้สาเร็จดำเนินการกระจัดการได้ผู้นาก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีกรุณาแล้วก็มีปัญญาถ้ามีแต่ปัญญารู้ไม่มีกรุณากระยุง่งในตอนนี้เราต้องการว่าเอาละไม่ต้องอยากลดผู้นาประเทศเนี่ยขอให้ดำเนินตามพระพุทธคุณเนี่ยก็ไปได้แล้วนี่พระพุทธเจ้า ก็ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองต่างๆไวเอา้าเราก็ถือกันมาหลักทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆแล้วนี้แต่เพื่อความรู้เนี่ยต้องรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างในชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีคาถาหนึ่งจำง่ายๆบอกว่ารัฐเถชะนะปะเทวิจระรัตเถชนะปะเทวิจระ คำสอนสำหรับองค์พระราชาแห่งหนึ่งออกดูรามหาบอบพิษพรงจงเสด็จเที่ยวสะดับดูให้รู้ความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแผนทั้งในแดนชุนบทค้านรู้ได้เห็นได้สะดับความเป็นไปในที่นั้นๆแล้วจึงดำเนินพระราชกิจต่อแต่นั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ความกรุณานะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยเพราะนั้นก็เลยเป็นวัตถปฏิบัติของกษัตริย์ชาวพุทธมาเราจะเห็นว่ากษัตริย์ชาวพุทธเราเนียจะเอาใจใส่ต่อทุกสุขของราษฎรอายกตัว อ, อย่างง่ายๆอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงปกครองแผ่นดินตอนแรกทรงเป็นจันดาสกุก อโศกผู้โหดร้ายหรืออโศกจอมโหดแล้วทรงเปลี่ยนมาเป็นธรรมอโศกอโศกผู้ทรงธรรมแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเต็มที่ข้อปฏิบัติพระราชจริยาวัตรอย่างหนึ่งของพระเจ้ า, าโศกก็คือทรงเปลี่ยนวิหารญาตราเป็นธรรมญาตราอันนี้อยู่ในทิราจารึกเลย สิลาจารึกพระเจ้าโศกก็บอกไว้บอกว่าพวกผู้นำกษัตริย์ในปางก่อนเนี่ยมีประเพณีวิหารญาตราวิหารญาตราก็คือไปพักผ่อนโดยวิธีไปเที่ยวป่าล่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนี่เรียกว่าวิหารญาตรามาบัดนี้องค์พระเทวานามปิยติสสะคือองค์พระเจ้ า, าโศกมหาราชเนี่ยทรงละเลิกไม่ทรงดําเนินในวิหารญาตราแต่ทรงเปลี่ยนมาบําเพ็ญ ธรรมย า, าในธรรมยารานั่นก็คือการเสด็จไปในชนบทในแว่นแคว้นแล้วก็ดูความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงไปพบปะสมณะชีพราบไปพบปะคนแก่คนเฒ่าไปพบปะชาวบ้านทั้งหลายชาวไร่ชาวนาอะไรเนี่ยแล้วก็ไปสนทนาปราัยกับคนเฒ่าคนแก่ไปสงเคราะห์ผู้คนต่างๆเหล่านี้ตลอดจนกระทั่ง บางทีก็ปาลารบจะเสด็จไปพุทธสถานสังเวชนีสถานและในระหว่างทางเสด็จก็เสด็จไปเยี่ยมที่โนวลที่นิบอันนี้ก็มีเรื่องจารึกมาในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศุมหาราชนี้ก็เป็นวิธีที่จะหาความรู้ของพระราชาเพื่อจะได้บำเพ็ญพระราช ก, กิจได้อย่างดีนี่พระเจ้าอโศุมหาราชศงบำเพ็ญเหมือนเป็นแบบอย่างมาในเมืองไทยเราก็เห็นได้อย่างในหลวงเลดการที่ห้า ก็มีเรื่องประพาตตนสเสด็จไปตามท้องถิ่นต่างๆให้เขารู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครแล้วไปอยู่กับชาวบ้านให้เห็นชีวิตของเขาสุขทุกโดยตรงหรือมาอย่างแผ่นดินปัจจุบันในหลวงราชการที่9สมัยก่อนเมื่อทรงยังแข็งแรงอยู่ก็สเสด็จไปโน่นไปนี่ไปในถิ่นชนบททั้งหลายเรียกว่ารู้สุขทุกของรอัษฎรถ้ายิ่งก็รู้สุขทุก็กร่วมสุขร่วมทุก ร่วมสุขร่วทุกข์ก็เป็นข้อปฏิบัติสําคัญในการที่จะสร้างสรรค์ยึดเหนี่ยวสังคมนี้ให้มีความแน่นแฟนมั่นคงสามาัคคีอันนี้ก็เป็นวัตถาปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เราสอนกันมาก็แปลว่าอยู่ในเรื่องความรู้ว่ามีความรักแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยความรู้ก็จะช่วยให้การปฏิบัติกิจตามมาหากรุณานั้นสำเร็จผลอย่างแท้จริง ตอนนี้เรามาถึงวันมาฆบูชาเนี่ยเราก็ควรจะมาทบทวนกันถึงเรื่องเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญามีกรุณาจึงจะแก้ไขปัญหาจัดการเหตุการณ์ได้มนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาขัดแย้งกันมากมายเหลือเกินในระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างประเทศระหว่างค่ายก็รบราข่าฟันกัน เอาชนะซึ่งกันและกันทีนี้วิธีเอาชนะกันและกันก็คือรักฝ่ายข้างตัวแล้วก็ทําลายฝ่ายตรงข้ามทําลายก็ทําร้ายวิธีทาลายคนก็ทํำร้ายเขาข้าบฟันกันล้มตายไปมนุษย์ก็ยังหมุนเวียนอยู่ในอย่างเงี้ยอริยธรรมมนุษย์ก็เลยไม่ไปไหนพุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์พัฒนาขึ้นไปแม้แต่การแก้ปัญหาในการชิงชัยเอาชนะกันระหว่างประเทศเนี่ยท่านก็สอนไว้นะ คือรักอย่างเดียวไม่พอรักพวกเราในะรักแน่นอนและให้รักศัตรูด้วยนั้นะเราก็จะมีคำสอนว่าน ah าฮิเวเรณเวรานิสัมวันตีทะกุทาจะนังเป็นต้นเนี่ยแปลว่าไม่มีเลยในการไหนไหนที่เวจะระงับได้ในการจองเวนประเวณยอ่อมระงับด้วยการไม่จองเวชาวพุทธก็จำกันแม่นที่ว่าไม่จองเว น, นี้ก็คือให้มีเมตตามีกรุณามีความรักนั่นเอง รักๆักรักเข้าไว้รักทั้งเรารักทั้งเขาแต่ว่าชาวพุทธยังอยู่แค่นี้นะไม่พัฒนารักเรารักเขาแล้วไม่ทําอะไรบอกไม่จองเวจองเวหมดตัวตายเปล่าให้มีกรุณาต้องมีปัญญาด้วยที่จริงในหลักธรรมคาสอนอาจารย์สอนไว้แล้วให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาต่อไปถ้ามนุษย์เอาชนะการแก้ปัญหากาดนการที่ว่า เออฝ่ายนั้นเป็นศัตรูของเราเราจะต้องคาบฟันมันให้จบให้ฝ่ายเราที่เรารักในอยู่มันก็หมุนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยม่ไปไหนนั้นทางการสอนวิธีปฏิบัติไว้แต่มนุษย์จะต้องพัฒนานี่เราจะทําไงจะพัฒนามนุษย์ต่อไปให้ถึงขั้นนี้มนุษย์ที่จะแก้ปัญหาด้วยทั้งกรุณาและปัญญามาคู่กันได้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องเก่งกับพวกที่ ชนะกันด้วยวิธีรุนแรงวิธีทำรายตอนนี้ก็คือมนุษย์มีปัญญาก็ชนะแต่ว่าไม่มีกรุณานี่ทำไงจะได้ทั้งกรุณาและปัญญาท่านสอนไว้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังอีกเคยพูดมาบ่อยๆและชาดกในท่านสอนเรื่องนี้มาเยอะเลยอย่างเรื่องมโหสดชาดกเนี่ยโมโหสถชาดกนี่เป็นชาดกที่เน้นพระบรารมีอะไร ปัญญาบารมีเนี่ยมโหสถปัญญาบารมีคนไทยยหยุดแค่ทานนะเนี่ยต่อว่าได้บารมีพระพุทธเจ้าจังสิบคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องทานเก่งจริงๆแต่อยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเก่งจริงๆไปไหนพร้อมให้ทันทีเลยใจกว้างมีน้ำใจดีแต่ว่าไม่เคยกลาวบารมีมีตั้งสิบข้อ มาอยู่ข้อเดียวไม่ได้ต้องไปต่อแล้วข้อสําคัญข้อหนึ่งก็ของพระมโหสถเนี่ยปัญญาบารมีปัญญาบรรญญาบ ร, รมีสอนอะไรก็คือให้เอาการุณามาใช้ในชนิดที่ประสบความสําเร็จก็คือมนุษย์จะต้องพัฒนาไปขั้นหนึ่งในการแก้ความขัดแยง้งระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างพวกระหว่างหมู่จนกระทั่งถึงระหว่างประเทศชาติเนี่ยทาไงจะให้ได้ขนาดนี้เราจะย่อ ก, ก็คือว่า มโหสถชาดกใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศทำให้ศึกสงครามสงบลงด้วยดีก็คือว่าอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศของพระเจ้าปัญจารลราชพระเจ้าประดิ์องค์นี้เรียกว่ามีความโลภมากโลภอะไรรู้ไหมโลภแผ่นดินอยากจะเป็นใหญ่ผู้เดียวก็เลยเที่ยวไปลุกรานประเทศต่างๆชนะมาเยอะแยะและตอนหนึ่งก็ยกทัพมาที่ประเทศชัววิเทหะ วิเทหรัฐนี่เป็นที่ที่พระมโหสถอยู่พระเจ้าเป็นดินก็เรียกกันว่าพระเจ้าวิเทหราชออพอเห็นยกทัพมาพระเจ้าวิเทหราชพอได้ยินว่าทัพนี้เป็นทัพของพระเจ้าปัญจาราลก็สดุ้งตัวสัน่นเลยพระองค์สั่นเลยทำไมละ่ะเพราะว่าพระเจ้าปัญจารลันีรบชนะมาจนกษัตริย์ร้อยเอ็ดแล้วที่นี่มันก็เรื่องเล็กแล้วแคว้นวิเทหานิดเดียว ก็ตกสันขวัญแขวนอ น, นี้ต่อมาก็พูดจากันเรื่องอะไรนะให้รู้ว่ามาเรื่องอะไรจะรบจะเอาออกอยังไงกันทางฝ่ายโน้นก็มีอุบายมาบอกว่าจะยกราชธิดาให้แต่ว่าให้ไปทำพิธีวิวาอะไรที่เมืองโน้นตัวนั้นอันนี้ไม่รู้เจรจากันยังไงพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ทรงตายพระไทยก็โลบได้ัลนแหละนะอยากจะได้พระราชธิดาเขานะ่ะ ทำให้ตามืดไปก็เลยยินดียอมจะไปโน่นมรโหสถเป็นนักสืบข่าวเนี่ยตอนนี้ปัญญาทำงานตอนนั้นพระโหสถขัดในที่ประชุมอมัมมัดพระเจ้าวิเทราชก็ตามประเพณีพระราชาก็ต้องปรึกษาพรปุโรหิตมหาหมัดทั้งหลายว่าจะเอาไงถามบัณฑิตสี่ท่านเสนกา บ, บัณฑิตเป็นต้นเป็นหัวหน้าใหญ่ไปปูโรหิตใหญ่ เสนกะ บ, บอกว่าเขามาดีก็ตายใจอามาตยุโรหิตที่สองก็เหมือนกันดีหมดนี่ก็เลยมโหสถขัดพอมโหสถขัดว่าไม่ใช่หรอกเขามาร้ายเขาจะเอาพระองค์นี่แหละไปเป็นลูกน้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นหละเขาฆ่าแน่ก็ส่งกริ้วพิโรธมาบอกว่านี่คือทําให้รักไม่เคยทําความดีมาก่อนฆ่าแน่ แต่ว่านี่เคยมีความดีเพราะฉะนั้นใช้คําหนักคําำยากพอใช้คำว่าให้สาหัวมโหสถออกไปเหน่าไล่เลยแต่พระมโหสถนี้ท่านก็ไม่ท้อท่านก็รักแผ่นดินรักประเทศชาติรักพระเจ้นดินท่านก็เลยคิดว่าทําไงจะแก้ไขปัญหานได้สืบข่าวเนี่ยปัญญามาและมีวิธีการในการสืบข่าวจะรู้แผนของพระเจ้าปัญจาละลายก็คือว่าจะใช้วิธีที่ง่าย ลวงพระเจ้าวิเทราชเนีไปข่าโนะหสดพอทราบแผนของพระเจ้าปัญจาล ร, ราชัตโหสดก็วางแผนซ้อนเลยเขาบอกว่าให้ไปสร้างพระราชวังของพระเจ้าวิเทราชนี่ในดินแดนของพระเจ้าปัญจาล ร, ราชเพื่อเตรียมพระราชพิธีวิวาหามงคลหรืออะไรก็แล้วแต่อภิเศกอะ พระโมโหสถก็รับอาสาไปสร้างวังให้ก็เข้าไปในิแดนของฝ่ายปัญจาะละแล้วพระโมโหสถก็ไปสร้างวังในนั้นก็มีการสร้างอุโมงค์อุโมงค์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะพร้อมแล้วก็เชิญให้พระเจ้าวิเทลันเนี่ยไปประทับที่วังนั้นประทับที่วังแล้วก็อยู่ในเงื้อมือของฝ่ายโนนแหละนะถึงแม้จะมีวังของตัวเองมีค่ายมีป้อมแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเขาใจกําจัดง่าย ก็ไปกันพอไปกันแล้วพอถึงวันดีขึ้นนี้ทางพระเจ้าปัญจาลราชบอกว่าเอา้าให้พระเจ้าวิเทรราชกําหนดวันอภิเษกมาหาเลือกหามงคลระยามพระเจ้าวิเทรราชก็หาวันมงคลเสร็จก็แจ้งไปพอถึงวันมงคลปับ๊บกองทัพพระเจ้าปัญจาลราชมาแล้วพอมาถึงคืออยู่คนละฝั่งแม่นามนะ ถึงแม้จะอยู่ในแผ่นดินก็ฝ่ายปัญจา ร, ราชก็อยู่บนฝั่งแม่น้ากองทัพมามากมายพระเจ้าวิเทราชก็เอ๊ะอะไรกันเนี่ยมาพระราชทานพระราชธิดาทำไมทัพใหญ่อย่างนี้ก็สงสัยในที่สุดก็เลยรู้ตอนนี้พระเจ้าปัญจาราชก็เห็นว่าไม่มีทางหนีแล้วก็ประกาศตรงๆพระเจ้าวิเทราชก็เลยทรงพระทยสั่นแล้ว ไม่ใช่แค่กายสัณฑพระทัยสัณฑจะแก้ไขปัญหายัางไงล่ะเจ้าบัณฑิตสี่คนเสนกะเป็นต้นนั่นหมดทางไม่รู้จแก้ปัญหายัางไงว่าเขาต้องยอมตายแน่แล้วเราชิงตายซะก่อนดีกว่าฆ่าตัวตายกันดีกว่าหมอสดบอกไม่เป็นไรที่พระองค์ใสหัวข่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะได้ทําการเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวพระองค์ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวจะบอกแผนให้แล้วพระมโหสถก็บอกแผนก็คือว่าเปิดอุโมงแล้วกองทัพของวิเทราชนี่ก็เข้าอุโมงไปออกแม่น้ำข้ามฝั่งไปเลยแล้วก็ไปนู่นมโหสถเตรียมกระทั่งวังของฝ่ายโนนไปยึดครอบครัวของพระราชาองค์นันว้นีทีนี้ฝ่ายพระเจ้าปัญจาละราชก็ขู่ แกตายแน่ต้องเปิดเมืองซะดีๆยอมมโหสถก็บอกไม่หรอกไม่กลัวละบอกว่าตอนนี้พระเจ้าวิเทรารไมาอยู่ไปแล้วพระเจ้าปัจจาราคก็บอกว่าเออแกอยู่คนเดียวแกไปทำอย่างงี้หักหลังข้าแกตายแน่ข้าจะฆ่าไอา้เจ้ามโหสถนี่เลยนะมโหสถก็บอกไม่เป็นไรพระองค่าข้าพระองค์เน่ย พระเจ้าวิเทรา่ก็ข้าบพระมเหสีของพระองค์เหมือนกันนเอาสิจะเลือกเอายังไงพระองค์ทำไงฆ่าพระองค์อ่ะพระราชโอรสพระราชธิดาอะไรของพระองค์ก็หมดเหมือนกันนะพระเจ้าปัจจาราชหมดทางเลยดี่ไหมวางแผนซ้อนพระโมโหสดก็กําชับพระเจ้าวิเทรา่ไปเสร็จนะตอนที่ไปยึดฟังฝ่ายโน้ะผมจะไปทาอันตรายคนนะ ก็คือให้มีความรักนั่นแหละนะให้ทุกคนอยู่กันดีแล้วพอทางฝ่ายปัญจรลราชหมดทางใช่ไหมก็โดนเงื่อนไขขางฝ่ายของโหสถก็แปว่าต้องยอมเมื่อยอมแล้วพระโหสถก็ไม่ทำร้ายอะไรชนะได้ปัญญาที่เหนือกว่าการจริงๆแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมกลับเป็นมิตรเรียกว่ากำราบ ทำให้เขากลับใจได้ก็กลายเป็นมิตรกันเลยต่อจากนี้ก็หมดปัญหาไปเลยนนเนี่ยท่านสอนไม่มีหลายชาโดกจะสอนแบบ น, นี้ก็คือว่าคนที่จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ท่องกันเวรไม่ระงับโดยการจองเวรแค่นี้ไปไหนไม่รอดหรอกนะไม่พอท่านให้หลักเบื้องต้นไว้ต้องไปโน้นอย่างมาโหสถเนี่ย คือคนที่จะชนะเขาด้วยความดีเนี่ยโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องเก่งกับเขาเป็นสิบเท่าร้อยเท่าใช่ไหมนั้นชาวพุทธเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยพัฒนาได้มาอย่างเงี้ยพัฒนาแค่ให้อยู่กับเขาแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาแบบมีกรุณาเพื่อความสันติของโลกนั่นไม่ได้นั่นก็แค่ว่าชนะเขาได้ปัญญาที่ทำ้ายเขา และชนะมันก็จองเวรกันอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นโลกนี้อารยธรรมมันก็ไม่ไปไหนทำไงจะให้มนุษย์พัฒนาถึงขนาดที่ประเทศที่เก่งจริงๆเนี่ยเอาชนะฝ่ายอื่นได้ด้วยวิธีสันติทำให้เขายอมสยบสยบ ก, การทำร้ายด้วยวิธีสันติชนะเขาด้วยความดีได้ปัญญาที่เหนือกว่าจริงๆนแล้วก็อยู่กันได้ความสงบสุขต่ตอไป อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ายากแต่มนุษย์ต้องพัฒนาเมื่อจะให้โลกนี้มีสันติสุขที่แท้จริงต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้ก็เลยเอาเรื่องมหากรุณาการเรื่องปัญญาเนี่ยมาพูดในอีกแง่หนึง่งในระดับของโลกในระดับของพระพุทธเจ้าที่ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์กัชาวโลกแต่หลักการพุทธศาสนาก็ที่ว่าเนี่ยด้วยความกรุณาพระสงฆ์เรา พุทธบริษัทเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามคําสอนที่เป็นพุทธโอวาทว่าจรร hta พิฆเวจาริกังผู้ชนะทิตายะภูชนะสุขายะโลกาโนกรรมปายะพิสุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกัจจน์จนวนมากเพื่อความสุขชน์จนวนมากเพื่อเกื้อการุณตต่อชาวโลกอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนั่นก็เราต้องมา คอยทบทวนหลักการของพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าส่งสอนไว้แล้วข้อสําคัญก็คือชาวพุทธเนี่ยจะต้องฝึกตนทั้งพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าเราไม่ฝึกตนไม่พัฒนาตนแล้วมันไม่มทันทำได้สําเร็จหรอกหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ปฏิบัติกันอยู่ในรายวันเท่านี้นะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อช่วยโลกทั้งโลกให้โลกนี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะหนูๆทั้งหลายที่เล่าเรียนศึกษาเนี่ย เรียนกันฝึกกันให้เก่งอย่างที่ว่าเนี่ยให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ปัญญาบนฐานของมหากรุณาทำได้ไหมนะมีกรุณาเป็นพื้นฐานแล้วใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้มันลงโด ย, โ ด, ยด้วยดีไม่ต้องมาทำร้ายกันทำได้ไหมถ้าทำได้นี่ก็คือความสำเร็จของชาวพุทธในการแก้ปัญหาในทุกระดับจกนกระทั่งถึงโลก วันนี้ต่อมาก็คิดว่าแค่นี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลาและใช้เวลาที่ประชุมไปเยอะก็เอาเป็นว่าวันนี้ถึงวันมาคบูชาแล้วก็ขอให้เรามาบาเพ็ญบูชาให้ครบทั้งสองอย่างทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาเราก็ทากันแล้วปฏิบัติบูบชาเราก็ทำกันอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ตัวก็คือบูชาด้วยการปฏิบัติ เริ่มต้นตั้งแต่ทำจิตใจของเราให้เบิกบานผ่องใสแล้วปฏบิบัติบูชาที่ตรงกับในวันมาคระบูชาก็โอวาทปาติโมก์อย่างน้อยก็หลักสามข้อที่เราต้องจำกันแม่นก็ขอทวนอีกทีหนึ่งขอให้เด็กๆจำให้แม่นนะเออว่าตามก็ดีนะหนูๆอ่าว่าตามหน่อยสรรพาปาปัสะอาการะนังไม่ทำชั่วทั้งอวง หรือไม่ทำชั่วทุกอย่างก็ได้หมดไม่ทำเลยกุสลสูปสปมปทาบบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อ ม, ม, ม, อมสัจจิตตะปริโยธปนั ง, นงชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานัสสสนัง นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้แค่นี้ก็ยังดีและ ว, วันมาคบบูชาก็เกิดประโยชน์แท้จริงและไม่ต้องเอาครบสามคาถากึ่งละให้ได้คาถาหนึ่งเนี่ยตัมมาก็ะทวนให้ว่าไม่ทําช่วยทั้งปวงทําความดีให้เพียบพร้อมและทําจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราทําตามนี้ได้ก็เป็นปฏิบัติบูบชา ปฏิบัติบูชาก็เป็นบูชาอย่างยอดเยี่ยมสูงสุดและเป็นเอตตะคะในบรรดาบูชาทั้งหลายจิ้งถ้าเราทําพร้อมก็ยิ่งดีได้อามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชาด้วยวันนี้ก็เชิญชวนกันให้เรามาทำบุญวันมาคบูชาด้วยวิธีทำบูชาทั้งสองประการนี้คืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเมื่อทําได้พังพร้อมบริบูรณ์ก็ขออนุโมทนาแม้ยังไม่พังพร้อมก็ตั้งใจ เพียงตั้งใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วและตอนนี้เราก็กำลังก้าวหน้าไปในการบูชาทั้งสองนี้อามิสบูชาเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนเวียนเทียนก็เป็นอามิสบูชาเต็มที่แต่พร้อมกันนั้นในอามิสบูชาก็ขอให้เราบำเพ็ญปฏบิบัติบูชาไปด้วยตั้งใจปฏิบัติอย่างน้อยก็ชำระ จ, จิตของตนให้โรงใสให้ร่าเริงบันเทิงใจมีปีจิปราโมดในบุญในกุศล มีความสุขร่วมกันมีในไมตรีจิตมิตรภาพมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมีความสามัคคีการพรั่งพร้อมใจกันแล้วก็เดินไปได้วยความมีจิตใจสงบพร้อมเพียงสามัคคีปฏิบัติบูชาก็เดินหน้าแล้วก็เอาคาสอนที่พระเจ้าได้ประทานไว้เนี่ยมาระลึกแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติกันต่อไปวันนี้ก็ข อ, อนนโมทนา โยมญาติมิตรทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีชันธท่าในการทำบุญกุศลมาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วเป็นทั้งกายสาสมัคีและจิตศาสมัคีก็ขอให้ทุกท่านได้เดินหน้าไปในความสามัคคีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เรามีความเพียรพร้อมด้วยกาลังกายกาลังใจกาลังปัญญากาลังความสามัคคี สามารถทำเป็นประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นสมดังพุทธดํารัสที่เป็นโอวาทของพระองค์นั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเป็นต้นไปพะนั้นวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านตั้งแต่โยมปู่ญาติตายายท่านผู้เฒ่าจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆหนูน้อยทั้งหลาย จงจเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพลังความสามารถที่จะช่วยการบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นให้สำเร็จสมดังพุทธพจน์นั้นทุกประการเธอ